อาตมาขอถวายพระพรในด้นของโทสัจริตสำหรับโทสัจจริตนี้ก็เห็นจะเป็นเช่นเดียวกับราคาจริตเพราะว่าท่านที่จะตัดได้จริงๆก็ต้องเป็นพระอนาคามีตามที่ถวายพระพรมาแล้วในสมัมยที่กล่าวถึงราคาจริตสำหรับโทสัจริต แปลว่าคนมักโกรธแต่ความจริงใจงทุกอย่างย่อมมีกับคนทุกคนทั้งหมดเพราะว่าไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแล้วก็มีหนึ่งจริตไม่ใช่เช่นนั้นแต่ละคนแต่ละคนก็ต่างคนต่างมีจริตต่อกันหมดทั้งทั้หกประการแต่ว่าจะมีจริตอะไรไปมั่วสมหรือไปหมกอยู่บ้างแถว น, นั้นมีกําลังอ่อนหรือว่ามีกําลังเข้มแข็ง ยังคนในโลกใหม่มีทั้งหมดคนที่ไม่รักสวยไม่รักงามเลยก็ไม่มีแต่ที่จะเรียกว่าราคาจริตนาก็เพราะว่าหนักไปในด้านสวยด้านงามเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> อะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียบร้อยไปหมดแม้จะไปตักน้ำาพะปันปึงเข้าป่าก็าต้องหวีผมให้เรียบจัดเครื่องแต่งกายให้เรียบทั้งๆ ท, ที่ต้องทางานหนัก อย่างนี้เป็นต้นจัดว่าเป็นประเภทโกราคาจริตความรักสวยรักงามเป็นเรื่องใหญ่อะไ ร, รก็ต้องสวยอย่างนี้เป็นราคาจริตแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆคนที่มีราคาจริตการต้องการความเรียบร้อยความสวยขดสดขงามมีเทเหมือนกันทุกคนแต่ว่าไม่เท่ากันบางคนก็เรียกว่าแต่งกายเพียงแค่สุขเอาเผากิ่งก็ใช้ได้อย่างอาตมาเป็นต้นเพราะประธานภัย พูดอ่างตนนี่พระพุทธเจ้าหาันห้ามอะไรอ้างมาก็เพราะว่าอาตมาเองเป็นคนสุสุขเอาเผากินในเรื่องการแต่งกายไม่ก็อย่เรียบร้อยนะักว่าไม่สนใจไม่ใช่ว่าไม่สนใจเมื่อแก่มันหนุ่มยิ่งไม่สนใจมากกว่านี้ตอนแก่เข้าดูเมืนว่าจะดีกว่าหนุ่มนิดหน่อยตองนี้เพราะอะไรก็เพราะเกรเงว่ามันจะรุ่มร่ามเกินไปเชื่อครักรแก่รุ่มร่าม ยิ่งจะตอนสมัยเป็นพระหนุ่มยีวรสีเหลืองไม่ห่มห่มแต่ยีวรสีกลักอย่างเดียวเพราะเมรุมต้องการตัดราคาจริตไม่ใหเกิดความพอใจในตัวของตัวเองนั่นก็แสดงว่ามีราคาจริตอยู่มากไม่ใช่มีมากไม่ไม่ใช่ไม่มีการทําตนเช่นนั้นเป็นการค่มขู่เป็นการบังความรู้สึกไม่เกิดความพอใจแลไม่เกิดความผูกพัน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 อันนี้ก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่ว่าใครจะมากจะน้อยเท่านั้นความเชื่อถือความเชื่อถือบางครั้งก็ใช้ปัญญาน้อยไปหน่อยความเชื่ อ, อที่ใช้ที่สัมพยุตไปด้วยปัญญาถ้าไม่เรียกว่าหนักพราะด้วยศรัทธาศรัทธ า, าจริตนี่เรียกว่าความเชื่อถือที่ใช้ปัญญาน้อยไปนิดหนึ่งหือคิดน้อยไปหน่อยหรือที่เรียกกันว่าคิดไม่ทันอย่างนี้ก็ต้องมีเหมือนกันทุกคน จะมากหรือจะน้อยกว่ากันเท่านั้นนี่ความปลอดปรลงความเฉลี่ยเฉี่หลาดในการบังคันะก็ย่อมมีเหมือนกันทุกคนแต่ว่าใครจะมีเป็นปกติและไม่ปกติเท่านั้นเป็นอันว่าเฉลี่ทั้งหกทุกคนต้องยอมรับนับถือว่าตนมีพร้อมมวลบริบูรณ์แต <c oughs> ่ว่าบางอย่างจะยิ่งหย่อนกว่ากันบางอย่างยังเหนือกว่ากันบางหย่อนจะน้อยไปเท่านั้นเอง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 แต่ท่านมองไม่เห็นศัตรูการที่มองไม่เห็นศัตรูคิดว่าศัตรูเป็นมิตรตัวนี้ตายง่ายที่คำว่าตายง่ายก็เพราะว่าราคาจริตมันจะกินใจจนตายไม่สามารถจะพ้นจากความทุกข์ไปได้ตอนนี้ไปก็ขอกรารบเรื่องโทสาจริตคำว่าโทสัจจริตแปลว่าคนมักโกรธคนประเภทนี้ชอบโกรธ กรธง่ายๆถ้าโกรธใครได้แล้วรู้สึกว่าจะโก้ดีก็ใดการคืดฮัดเข้มข้นเครียวกราดเข้าใจว่าเป็นการกระทำความดีถ้าทําอย่างนี้ไม่ได้ก็รู้สึกว่าตนเองจะไม่สบายใจถ้าทาไปแล้วรู้สึกภูมิใจว่าความโกรธของตนเป็นผลอารมณ์อย่างนี้องสมเด็จพระทศกุล ส่งแนะนําไว้ว่าควรจะใช้พรมวิหารสี <c oughs> และก็สินสีอย่างที่เรียกกันว่าวันณักกสินคือกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวแ <c oughs> พ่งเป็นการระงับอิททั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าทําถูกกิจลิขิตมันเป็นของง่าย <c oughs> สําหรับความโกรธถ้าใช้พรมวิหารสี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 ปราถนาจะเกือ้อกูลบุคคลอื่ น, นสัตว์อื่นให้มีความสุขตามที่เราต้องการรายคนทุกคนต้องการความรักความเมตตาจากคนอื่นต้องการความสงสารความเกือ่อกูลจากคนอื่นและก็มุตุตามีรมณ์ไม่ช้าที่สยยาบุคคลอื่น เห็นบุคคลอื่นได้ดีพอยินดีด้วยทั้งนี้เพราะว่าเราเองก็มีความปรารถนาเช่นนั้นเหมือนกันเพราะสิ่งต่างหลายเหล่านี้การไม่ิฉาดิสยากันไม่เสียสีกันไม่นินทาว่าร้ายกันไม่กล่าวทําให้เป็นโทษไปสร้างความระเทือนใจซึ่งกันและกันเห็นคนอื่นได้ดีไม่ริษรอยความดีเขาบุคคลนั้น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 เมื่อบุกเราต้องการในบุคคลอื่นก็ทําเช่นนี้กับเราและเราคิดทําอย่างนี้กับเขาหรือไม่ <c oughs> นี่เป็นการใช้ปัญญาพิจารณาซึ่งจับอารมณ์ใจของตัวเองเป็นสําคัญและสําหรับอุเบกขาความเฉื่อบางเฉย น, นั้นองค์สมเด็จพระพักวันทรงตรัสว่าเห็นเพื่อนเดืกันคือหมายความว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน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 เป็นคนโง่โง่ตรงไหนถ้าโกรธขึ้นมาเมื่อไรปัญญามันถูกตัดตัดความโกรธมันตัดปัญญาไปตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกนี่คนที่มีโทษสาจิริจรงกลายเป็นคนโง่ามากกว่าคนฉลาดแล้คนที่เขาฉลาดจริงๆในเ ข, เขาไม่เขาไม่โกรธใครโกรธเพือนกันละรู้จักยับยังง้งเสทันจะชื่อว่าไม่โกรธเลยน่นไม่มีแต่ไม่บูชาความโกรธ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 จึงได้ทาคำสั่งสอนเขา อ, องค์สมเด็จพระจินสีเึงเครื่องปลอบใจตนเองใจต้องหาทางปลอบเพราะใจมันงุ่น ง, งานใจมันทุกข์ทรมานใจมีความโกรธใจเป็นท้ายของความโกรธต้องหาทางปลอบถ้าไม่หาทางปลอบแล้วก็มันจะไม่อยู่ด้วยอารมณ์มันจะมีแต่ความริ่นรนมันจะหาความสุขไม่ได้จะใช้วิธีปลอบไปทางไหนดี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 ต้องการในใครว่ามันกั่งแกล้งเราไหมต้องการให้ใครมเข้ามาอิจฉาหรือยาเราไหมต้องการในใครเข้ามาดินทาว่าร้ายเราไหมต้องการในใครเข้ามาเสียดสีเราไหมถ้าเรามีทุกถ้าต้องการในใครเข้ามาซ้ำเติมเราไหมถามใจตนเองว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เธอต้องการไหมใจของเราเองบอกว่าต้องการก็ตามใจเธอจะไปทำอะไรใครก็ได้ จะไปด่าใครจะไปตีใครจะไปทำร้ายใครจะไปนินทาว่าร้ายใครจะไปกล่าวคําเสียดสีใครก็ว่าได้แต่ถ้ารมใจของเราไม่ตรงกรันก็ต้องหาทางระงรับสิ่งที่เราต้องระงรับอาการที่เราไม่ตรงกรันเสียเราจะไม่ทำกับคนอื่นคิดหาหมุมแห่งความเป็นจริงเมื่อคนเราถ้าเราไม่ตรงกรันให้เขามา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 บริการที่สี่กำหนักมาตกถึงเราเพอแล้วถ้าเพื่อนมาซ้ำเติมเราไม่เอาเราไม่ต้องการรวมความว่าเหตุสี่บริการนี้เป็นการยับยั้งความคิดที่ไม่เป็นสุขสําหรับเราหมายความว่าเราจะมีความสบายเราจะมีความสุขถ้าเขาทํำาการตรงกันข้ามคือคิดทําลายล้างเราด้วยบริการทั้งปวง ซ้ำเติมเมื่อเรามีความทุกข์เราขาดอยู่แล้วเฟืงแกล้งดึงเอาไปซือีกของยิ่งไม่มีใช้ไม่มีจะกินพวกก็หาทานทาลายด้วยประการทั้งปวงแกล่งแกล้งด้วยประการทั้งปวงให้ไม่มีใช้ไม่มีกินมากขึ้นนี่เราจะเดือดร้อนนี่ก็ใช้มุมนี้ที่เราคิดเราพอใจไปใช้กับคนอื่น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 เห็นเพื่อนมีทุกข์หนักเป็นเหตุสุดวิสัยที่เราจะช่วยเหลือได้เราก็วางเฉยไม่ซ้าเติมจิดคิดว่าอย่างนี้ให้มันเป็นปกติอย่างนี้เราจะมีความสุขนี่พูดในด้านาเฉพาะที่เราจับทาจะทำกับเขาให้เขามีความสุขเราก็จะมีความสุขตามที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าผู้ชาาและปฏิผู้ช่าง ผู้บูชาย่อมได้การบูชาตอบวรณโกปฏิวันเทนั ง, นงคนไหวย่อมได้รับการไหวตอบนี่พูดเฉพาะเราทําความดีกับคนดีย่อมมีผลเช่นนี้แต่ก็มีคนบางพวกเช่นพระเทวทัตเป็นต้นพก็เทวทัตมีองค์สมเด็จพระทศพลเบอร์มสสัสศาสนาทรงสงเคราะห์มาทุกชาติทุกสมัย แม้แต่ในชาติสุดท้ายในองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเกื้อกูลเป็นกรณีพิเศษองค์สมเด็จพระเบรมรุกเชษให้บทในพระพุทธศาสนาแล้วก็สอนให้ได้ฌานโล ก, กีได้พิญญาสมาบัติเลยท่านลงตนคิดว่าเป็นผู้พิเศษนี่คนเลยประเภทนี้มีอยู่กลับไปเห็นความดีขององค์สมเด็จพระบรมรุกเชษคิดขบถ พรายะต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะปกครองสงฆ์เองทั้งทั้งที่ตนเองก็ไม่มีความสามารถตนเองได้ชาญโลกีจัดว่าเป็นโปตุชนคนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสเวลานั้นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมบโลกเจ้เชิดมีอยู่ครบเป็นพระอรหันต์มากมายทั้งอาคาสาวกทั้งหลายก็ยังอยู่ทั้งสองท่าน อาสีติมหาสาวกก็ยังอยู่ว่าสาวกเบื้องต่างขรอ ง, งราาค์สมเด็จพระบรมครูก็มีทั้งตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปมีคุณธรรมดีกว่าพระเทวทัตมากแต่พระเทวทัตมองไม่เห็นเพราะคนเลวนี่เราจะเมตตาปราณียังไงมันก็ไม่ได้ท้งนั้นจะคิดว่าเรามีพรมิหารสี่ต่อเขาเขายังมีต่อเรามันก็ไม่แน่นัก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 นั่นก็คืออารมณ์คิดทบทวนหาความเจียวว่าคนแบบเพศนี้เขาเป็นธาตุของอาบอายผูเขาไม่ใช่ไทยกำลังใจของเขาเป็นธาตุเป็นธาตุของไข่เป็นของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมเขาเป็นคนที่หาความสุขไม่ได้เขาจะมีแต่ความทุกข์เพราะการกระทำอย่างนั้น ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจนนะารณาเพราะถ้าเราจะโต้อตอบเขาทุกแล้วเราก็จะมีทุกข์ด้วยมันช่วยกันทุกข์ใหญ่เราไม่ตอบเขาเพราะอะไรเพราะเขาไปไปเผาใจของเขาซะแล้วเพราะไฟเผาใจของเขาเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขามีใจเป็นท้ายของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรม คนทุกคนที่เกิดมาในชาติเนี้เป็นคนที่ต้องการความสุขความสำราญด้วยกันหมดแต่ท้าว่าเขาไม่ทําไม่สร้างความสุขไม่สร้างความดีเพราะอาศาัยอะไรเป็นปัจจัยเพราะว่ากิเลสความเศร้าหมองของจิตพุ้มห่อใจของเขามืดมิดจนให้เขามองไม่เห็นด้านของความดีนี่ประการหนึ่งตั้หาความทะยานอยาก ดึงลากจิตใจของเขาของเขาให้คิดแต่ความชั่วเป็นปกตินี่ประการหนึ่งอุปาทานความโง่เขาไปยึดมัน่นคิดว่ากายเขาทำความชั่วอย่างนั้นเป็นของดีนี่ประการหนึ่งซึ่งเครื่องเป็นเจ้าหนายของเขาและอกุศลกรรมอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานทล้งสามประการดึงดันให้เขาสร้างกรรมที่เป็นอกุศลทั้งกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรม คนประเภทนี้ในชาติปัจจุบันก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเขานั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์ก็ไม่ได้ความเล้าร้อนถ้าเขาเป็นคนมีปัญญา จ, จริงเขาก็จะไม่ต้องสร้างความชั่วแบบนั้นก็คนสร้างความชั่วประเภทนั้นมีแต่ความเล้าร้อนใจจะหาความสุขกายสุขใจไม่ได้เราก็คิดให้อภัยเขา คิดสงสายเขาคิดเมตตาเขาไม่โต้ไม่ตอบไม่ทำคืนเขาจะทำยังไงก็ช่างเขาปล่อยไปตามอธัธยาศัยรักษากำลังใจเดิมหน่าของพร ม, มีหานสีที่ว่าโอ๋หนอนี่เ็าเกิดมาเป็นคนแล้วไม่น่าจะมาทำลายความดีของคนการที่ยะเกิดมาเป็นคนแต่ละคราวมันเป็นของยาก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 คนประเภทนี้เป็นบุคคลที่น่าให้อภัยทําจิตใจของเราให้สบายคิดเปอาภัยทานอยู่เป็นปกติไม่ๆก็จะคิดในอยากแต่ว่านานๆเขา้าคิดมากๆคิดบ่อยๆอารมณ์ก็จะชินเส่นเดียกวกระองค์สมเด็จพระมาหาโมลิ น, นที่พระเทวทัศ์ทําทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระพ่าเจ้าก็ทรงยับยั้งพระไทยไม่โต้อตอบพระเทวทัศน์มาตั้งแต่ชาติไหนไหน สำหรับการบันทึกในตอนนี้ก็ต้องขอถวายพระพรถ้าหากว่าบาังเอิญเสียงจะกระตุกกระตักไปบ้างเพราะว่าไฟฟ้ารุนในระหว่างทำกลางการบันทึกเสียงเป็นเหตุให้เครื่องบันทึกดับไปชั่วขณะหนึ่งตอนอ่านตอนนั่งเสียงอาจจะกระตุกไปก็ต้องขอพระราชทานอภัยด้วยเป็นอนนว่าสำหรับการจรง์นับโทสัจริต โดยใช่อารมณ์คิดพิจารณาในด้านคมบหารสี่เฉพาะจุดนี้อาตมาก็ขอยุติไว้แต่เพียงตรงนี้สำหรับเทปนาที่สองจะได้พิจารณาและพันาเรื่องเรื่องการพิจารณาในด้านโทศาสจริตในด้านกระสินสี